วันอาทิตย์ที่28พฤศจกาคนพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเครื่องปฏิจจสมบบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าอนสาธุชนที่เคารพท่าสูตรวันนี้จะเป็นพระสูตรต่อเนื่องกันกับสูตรที่กล่าวถึงเมื่อคราวที่แล้วเป็นสูตรมีใจความหลักๆคล้ายๆกัน สามสูตรนะครับสูตรแรกที่พูดไปเมื่อคราวที่แล้วบางส่วนชื่อว่าปฐมเจตนาสูตรคือสูตรที่สี่จุดแปดแล้วก็พระสูตรที่ยังไม่ได้พูดถึงเข้าใจว่าแจกไปเมื่อคราวที่แล้วด้วยเหมือนกันสูตรที่สี่จุดเก้าชื่อว่าทุติยะเจตนาสูตรและสุดท้ายของอชุดนี้ก็คือตัิยะเจตนาสูตรก็ได้ความว่าพระสูตร ทั้งสามสูตรที่ต่อเนื่องกันนี้ว่าด้วยเรื่องของเจตนาโือเจตนาเป็นต้นมีเรื่องอื่นด้วยแต่มีเจตนาเป็นปฐมเหตุเบื้องต้นเเนื้อความบางส่วนเหมือนกันโดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนเริ่มต้นเสําหรับส่วนในท่ามกลางกับในเบื้องปลายนั้นต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างมีย่อบ้างมีพิสดารบ้างก็เพื่อให้สะดวก แกการกาหนดเนื้อความหลักหรือเนื้อความสาคัญจึงได้เขียน้ดยลายมือเป็นเอกสารช่วยอีกแผ่นหนึ่งมาประกอบเรื่อแจกให้ในวันนี้ประสู่สารสูตรนี้เอาก็จริงก็เป็นเรื่องที่มีความยากแล้วก็ลึกซึ้งมากในทางเนื้อหาในทางสภาวะผมจะให้ท่าน ได้ดูเอกสารประกอบที่มีเนื้อความครอบคลุมทั้งสามสูตรนี้อก่อนที่จะดูเนื้อความเอกสารประกอบนั้นอาจจะต้องขออ่านในส่วนวางส่วนของพระสูตรซึ่งจะอธิบายไปทั้งสามสูตรเลยขอให้ดูในสูตรที่ชื่อว่าทุติยะเจตนาสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ในที่เดียวกันคือประเจดวันมหาวิหารเมืองสวรรค์ที แล้วได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุย่อมจมจงใจย่อมดําริและคุณคิดตึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารามนาปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารามนาปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวินเมื่อมีอารามนาปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะ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 ที่ทรงตรัสในวาระของว่าเมื่อมีความจงใจมีความดีและมีความกรุ่นคิดปฏิจจสมุปบาทก็เกิดโดยลําดับตั้งแต่ส่วนเบื้องต้นที่ท่านจับความตั้งแต่อวิชชาตั้งแต่วิญญาณไล่ลงมาจนกทั่งถึงชะลาและมรณนะแล้วก็มาดูในวาระที่สองเมื่อความในส่วน ท่ามกลางเนี่ยเหมือนกันคือเมื่อพิกสุไม่จงใจคือไม่มีความจงใจแล้วก็ไม่ดําริแต่ยังมีความขุ้นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารามณะปัจจัยได้เพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณและเมื่อมีอารามณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีวิญญาณนั้นมาตั้งมัน่นแล้วเจริญแล้วความอย่างลงนามรูปจึงมีปฏิจจาก็เกิดสืบต่อไปจนถึงชราและมรณนะ เหมือนกับที่ได้กล่าวในส่วนเบื้องต้นนั้นสองวาระนี้วาระแรกกล่าวถึงมีความจงใจมีความดั่งหลีมีความคุ้นคิดวาระสองไม่จงใจไม่ดํางหลีแต่ว่ายังคุ้นคิด น, นี่เราดูเนื้อความในส่วนโครงสร้างก่อนไปดูประเด็นที่สามวาระที่สามตรัสว่าไม่ไม่จงใจไม่ดํางหลีแล้วก็ไม่คุณคิดคือไม่ไม่ทั้งสามประเด็นเลยภิกษุ เมื่อไม่จงใจไม่ดำลีไม่คุณคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อไม่มีอารมณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีแล้วก็อย่างอื่นก็ปลอยไม่มีไปตามลำดับมานามรูปก็ไม่มีเพราะนามรูปดับสลายจัตนาจึงดับและอย่างอื่นก็ดับมาโดยลาดับจนทั้งถึงชาิดับ ชะลามรณะดับความทุกข์ทั้งมวลก็ดับลงด้วยประการอย่างนี้นี่เป็นเนื้อความในสูตรนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยกล่าวเหมือนกันเรื่องความจงใจไปจกนกระทั่งถึงเป็นปัจจัยเกิวิญญาณในส่วนถัดจากนั้นแตกต่างกันแตกต่างขึ้นในสูตรที่หนึ่งนั้นกล่าวแต่โดยย่อที่สูตรสูตรสองนั้นกล่าวพิสดานกับเพื่อนพอมาถึงสูตรสามเราดูสูตรสาม สูตรสามที่ชัวาตาติยะเจตนาสูตรพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในที่เดียวกันตรัสในวาระแรกว่ามีความจงใจมีความดำริมีความคขึ้นคิดเนี่ยแต่ว่าอเทศนาที่กล่าวถึงผลสืบเนื่องนั้นย่อกว่าสูตรเมื่อสักครู่นี้เป็นอันมากมมคือพิสุย่อมจงใจย่อมดำริย่อมขุ้นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอา ร, รมณ์ปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญ ญ, ญาณ เมื่อมีอารมณปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวินเมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญแล้วตัณหาจึงมีเราจะเห็นว่าจากวิญญาณก็กระโดดไปตัณหาเลยนะเมื่อมีตัณหาคติในการเวียนมาจึงมีเมื่อ <_' ratchet> มีคติในการเวียนมาจติและอุบัติจึงมีเมื่อจติอุบัติ <ouses> มีชาติชรา และมรณะโสกกาลปิฎิวะทุกขโทมนักอุปายาตโซนทั้งความทุกข์ทั้งปวยเนี่ยก็มีด้วยประการอย่างนี้เอเราก็จะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ะประเด็นที่อธิบายเหตุปัจจัยสืบเนื่องหรือผลสืบเนื่องจากวิญญาณเป็นอย่างปานกลางสูตรแรกนั้นเป็นอย่างสั้นสูตรสองเป็นอย่างพิสดารที่สุดเต็มองค์ของปฏิจจัสูตรสามเป็นอย่างปานกลาง และในวาระสองไม่จงใจไม่ดำํำริแต่ยังคุ้นคิดผลพวงของความคุ้นคิดแม้ไม่มีความดำริแม้ไม่จงใจก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณเกิดได้ตัณหาก็เกิดได้ต่อไปคติก็เกิดได้ต่อไปจิตติอุบัติชรามรณะโสกับลิเจวะทุกทั้งมวลก็เกิดได้ต่อไปตามวาระของสูตรนี้ สูตรที่สามเมื่อไม่มีความจงใจไม่ด็เดี่ให้คุณคิดอารมณนะปัจจัยอสิ่งนั้นก็ไม่เป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณอย่างอื่นก็เป็นอันดับหมดไม่มีหมดเลยจนมาะทั่งถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ข้างบนก็ยังไม่มีไปด้วยอันนี้เป็นเป็นการอ่านแบบจับความเข้าคร่าวเพื่อให้ได้ดูที่มาว่าเป็นอย่างนี้แล้วผมอาจจะต้องขอย้อนกลับมา ชวนดูสูตรที่หนึ่งสักนิดหนึ่งก่อนด้วยก่อนที่จะใช้เอกสารประกอบต่อไปไปหลังในสูตรที่หนึ่งที่แจกไปก่อนหน้าสูตรที่สองที่สามนี่นะพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อมีความจงใจมีความดาริลิความคุณคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อมีอารมณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณตั้งมั่นแล้วเจริญแล้วความมาเกิดขึ้นนยแข่งพบใหม่จึงมีต่อไปอันนี้ก็จะเห็นว่าจากวิญญาณเนี่ยทรงตรัสแสดงถึงพบว่าเป็นผลของวิญญาณเลยและเมื่อแสดงพบแล้วก็แสดงชาติชรามรณะสืบต่อไปก็เกิดขึ้นและในกรณีที่ยังมีความคุ้นคิดอยู่แม้ไม่มีดําริแม้ไม่มีจงใจวงจรของทุกอย่างย่อสี่ประเด็นเนี่ยก็เกิดขึ้นต่อไป แต่เมื่อใดไม่มีความจงใจไม่มีความตฤหมิไม่มีความคุ้นคิดด้วยอะไรอะไรก็ดับหมดเลยนี่ก็เป็นเนื้อความอย่างสังเกตของสูตรที่หนึ่งเราก็อ่านพอให้ผ่านไปแล้วก็กลับมาดูเอกสารประกอบที่ขึ้นหัวข้อว่าผังแสดงเทียบองความเจตนาสูตรสามสูตรก็คือเจตนาสูตรสามสูตรนั้นเมื่อเก็บสาระ ขั้นตอนหรือรูปแบบของการแสดงปฏิจสมบบาทในสามสูตรนี้ออกมาแล้วก็เป็นดังที่จะได้อธิบายตามเอกสารนี่ว่าคือท่านวางวาระแสดงไว้เป็นสามวาระที่ได้ขึ้นหัวข้อหนึ่งสองสามเนี่ยนะนภาษาธรรมะเรียวกว่าเป็นวาระแปลว่ารอบหรือประเด็นก็ได้คือวาระว่า โดยกล่าวถึงเบื้องต้นของปฏิจจสมุปบาท ต, ตามรูปแบบอย่างนี้ยกเอาเจตนาความจงใจเอาประกับปะความดำริแล้วก็เอาอนุเสติอนุเสติซึ่งแปลว่าความคุ้นคิดเป็นที่ตั้งแล้วก็แสดงบทรับบทปฏิเสธคือในวาระที่หนึ่งเนี่ย แสดงว่ามีเจตนาที่ใส่เครื่องหมายบวกมีกัปปะความดำริใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็มีอนุเสติความคุ้นคิดด้วยใส่เครื่องหมายบวกมองไล่ลงมาตามทางดิ่งนะวาระสองแสดงว่าไม่มีเจตนาไม่มีกัปปะที่ขีดกับเครื่องหมายลบนะแต่มีอนุเสตินี่เป็นวาระสอง วาระสามมาีไม่มีเจตนาด้วยไม่มีปกปะปะด้วยไม่มีอนเุเสธด้วยในวาระสามไม่เป็นวาระที่ต้องประสงค์ที่พึงเป็นพึงได้เพราะว่าเป็นไปเพื่อความละความดับความไม่มีปฏิจจสมุปบาทเป็นวัตจักอยู่ในสังฆารวัตนอนิทรงสแสดงเป็นสามวาระนี้ แล้วที่เราอาธิบายกันไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะก็อธิบายว่าเจตนาคืออะไรปรัจจปะคืออะไรอนุเสติคืออะไรเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอย่างไรและวิญญาณคืออะไร เ, เดี๋ยวอาจจะต้องมีการกล่าวซ้ําอีกครั้งหนึ่งแต่ในตอนนี้นะขอให้ดูเส้นทางของสูตรทั้งสามสูตรนี้ที่ใส่เลขหนึ่งข้งขางขวามือสุดหน้าคํำว่าสูตรเนี่ยในในวงเล็บในสี่เหลี่ยมนะฮะเลขหนึ่งเลขสองเลขสาม ก็คือสูตรที่หนึ่งสูตสองสูตสามคือในต้นสูตรเนี่ยทรงแสดงด้วยวาระเหมือนกันและสมุดฐานเบื้องต้นมูลเบื้องต้นของปฏิจจสุบาทที่มีเจตนาเป็นต้นเหมือนกันเป็นปัจจัยแก่วิญญาณในลําดับต่อมาเหมือนกันแต่หลังจากแสดงวิญญาณแล้วจากนั้นวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ภพในสูตรที่หนึ่งนะแสดงเป็นปัจจัยแก่ภพ และพบเป็นปัจจัยแก่ชาติชราเมรณะชาติกับชราเมรณะเนี่ยถ้าแสดงตามปฏิจจารทั่วไปแล้วก็แยกเป็นสององค์แก่เป็นสององค์ใช่ไหมฮะชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะแต่ในสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงชาติกับชรามรณะรวมเป็นองค์เดียวกันขอให้ให้สังเกตรูปแบบก่อนนะที่พูดในพูดให้เห็นรูปแบบก่อนเดี๋ยวอธิบายทีหลังสำหรับสูตรที่สองทุติยเจตนาสูตร สาระของรูปแบบวาระเหมือนกันเบื้องต้นสูตรเหมือนกันเจตนาเป็นต้นเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเมื่อวิญญาณแสดงแล้ววิญญาณเป็นปัจจัยแก่อะไรได้ทรงแสดงว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับลำดับในปฏิจจสมุปบาททั่วไปที่แสดงว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูป ที่เราคุ้นเคยกันอยู่อันนี้ตรงกระสูตรนี้และนามรูปเป็นปัจัยแก่อะไรเป็นปัจัยแก่สลายเจตนาตาหูจมูกเล่นกายอันนี้ก็ตรงกันอีกนะสลายเตนะเป็นปัจจัยแก่องค์อื่นๆที่ละไวจ้จนกระทั่งถึงชาติแยกเป็นองค์หนึ่งชาติเป็นปัจจัยแก่ชาลาและมรณะโกกับลิเตวะทุกขโทมนาตุปปายาตกองทุกข์ทั้งบนเกิดอันนี้เป็นการแสดงปฏิจจะอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ ต่างกันแต่ว่าก่อนที่จะกล่าวถึงวิญญาณเรียนพูดถึงสูตรสองนะก่อนที่จะแสดงถึงวิญญาณนั้นโดยปกติปฏิจจสมุปบาทปกตินั้นอะไรเป็นปัจจัยแก่วิญญาณนาอะไรนะอะไรเป็นปัจจัยแก่วิญญาณสังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณในปฏิจจภปกติคนที่ไม่คุ้นกับเรื่องของของปฏิจจภาอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็ไม่สามารถจะทําให้รู้เรื่องได้ในตอนนี้ สังขารเป็นปัจจัยกี่วบวิญญาณวิญญาณมีอะไรสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารแต่ว่าในสูตรทั้งสามนี้ท่านไม่ได้เริ่มต้นก่อนหน้าวิญญาณด้วยสังขารโดยชื่อแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นโดยอวิชชาก่อนหน้าสังขารโดยชื่อเป็นปฏิจจ์ที่เรียกว่าไม่ใช่หัวหัว หัวเหมือนที่เราคุ้นเคยนี่เหมือนกับหัวหัวใหม่หัวโขนใหม่กลายเป็นเจตนาเป็นปกปัปษ์เป็นอนุเสติเข้ามาแทนที่สังขารกับอวิชาอันนี้ให้เราตั้งเป็นมุมสังเกตข้อแตกตา่างเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็อธิบายนี่เป็นสูตรที่สองเพราะนั้นสูตรที่สองเนี่ยมีลักษณะซ้ำเกือบจะซ้ำรอยปฏิจจสมุปบาท ในส่วนสมบูรณ์เนี่ยมากที่สุดเว้นแต่ไม่มีสังขารกับไม่มีอวิชชาเป็นองค์ต้นเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วก็เข้ารอยเดิมต่อไปสูตรที่สามสูตรที่สามสสา ม, มีขนาดเป็ น, ป น, นกลางโดยจำนวนองค์นะก็เริ่มต้นก็มีวาระสามเหมือนกันแล้วก็มูลปัจจัยเบื้องต้นก็มีเจตนามีประกับปาามีอนุเสติ เป็นปัจจัยแก่วิญญาณตรงนี้เหมือนกันอีกพอกล่าวว่าวิญญาณจเจริญตั้งมันแล้วเพราะวิญญาณมีวิญญาณนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานี่นับว่าเป็นการลัดองค์ปกติอย่างแปลกประหลาดทีเดียวเราก็จึงได้รับทราบไว้ในที่นี้ว่าปฏิจจานั้นมีการแสดงย่อแสดงพิสดารแสดงลัดและแสดงตามลาดับในทางรูปแบบ วิญญาณเป็นปัจจัยแกตัณหาพิลึกใช่ครับถ้าใครไปอธิบายปฏิจจาแล้วบอกว่าวิญญาณปัจจัยแตัณหาเนี่ยคนเขาคงนึกว่าเราเป็นคนโอหไม่ไม่ได้กระดเดกเรื่องปฏิจจสมุปาฏิเ์นี่เลยแต่ที่แท้เรื่องนี้กระเดกมากเลยแสดงแบบ ผ, ผิดให้เป็นถูกได้ตัณหาเป็นปัจจัยแก่คติ่ะแทนที่ตัณหาจะเป็นปัจจัยแกอุปาทานก็กลายเป็นเป็นปัจจัยแก่คติคติเป็นปัจจัยแก่อุบัตอุบัต เป็นปัจจัยแก่ชะลาและมรณะนะอ่าคติเป็นมันต้องจุติและอุบัติเดี๋ยวเดี๋ยผมดูทีผมอาจจะเขียนเปิดพลังไปนิดหนึ่งนะเป็นปัจจัยแก่คติอ๋อมันตกไอ้หน้าหน้าอุบัตินี่ตกกรรมวาคติจุติไปค่อนเติมจุติเกรรมจุติและอุบัติคติเป็นปัจจัยแก่กก จ, จ, จุติและอุบัติ จิติและอุบัติเป็นปัจจัยแก่ชาติชลาและมรณะอ่าชาติชรามรณะสำหรับสูตรนี้นับเป็นองค์เดียวกันสูตรสองแยกองค์สูตรหนึ่งนับเป็นองค์เดียวกันเช่นเดียวกันอ่นี่เป็นเป็นเรื่องของรูปแบบอผมก็จะอธิบายว่าวินญานที่เมื่อคราวที่แล้วกล่าวถึงว่าวินเจตนา กรรมก่อนปะกับปะกิเลสเป็นคําำเจตนาเนะี่ยคือกรรมประกับปานะั่นคือกิเลสแล้วก็อนุเสติสงเคราะห์เป็นวิบากที่ได้ทําไว้ก่อนเป็นปัจจัยแก่วิญญาณคือในที่นี้หมายถึงกรรมมวิญญาณกรร ม, มวิญญาณคือวิญญาณนั้นเป็นกรร ม, มวิญญาณที่เกิดเพราะ เจตนากรรมเก่าก็ดีแล้วก็เกิดเพราะเจตนากรรมปัจจุบันดีตรงนี้นะผมก็เสียวๆแล้วเกิดพูดวเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่แต่เดี๋ยวจะลองเอาพูดเ อ, เอาเอาแบบย้ำของเก่าก่อนเดี๋ยวจะลองพูดดูว่าท่านจะยุ่งเปล่าคือเจตนาที่เราได้ทํำไปแล้วเป็นอารามณนักปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณก็ทํากรรมกับกรรมเก่า อย่างที่อธิบายเยอะเมื่อกาลที่แล้วนะเป็นอภระเจตนาบ้างหรื อ, อเป็นการทําำกรรมปลาลบกรรมเก่าทำำํากรรมซ้ำอีกก็ดีแล้วก็กิเลสเก่าที่เราทําไอ้ทํากิเลสเก่าเนะี่อย่าไปนึกว่าเพาะกิเลสใหม่นะบางทีเรากิเลสเก่าแต่เรามาทําแล้วเกิดกุศลวิญญาณก็ได้เกิดอกุศลวิญญาณก็ได้ที่อธิบายคราวที่แล้วนะครับ แล้วก็วิบากก็เหมือนกันวิบากที่ทําที่เป็นกุศลนิบาสกุศลนิบาสวิญญาณที่เป็นตัวกรรมวิญญาณไปปลานลบน่วงนึกถึงวิบากจะเป็นโลกก็าตามนามก็ตามภายในคือในสรีละก็าตามภายนอกวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็ตามแล้วเป็นประโยชน์แก่กุศลวิญญาณกุศลวิญญาณก็ได้ฮนี่เป็นการอธิบายแบบแบบ เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยนอกขณะเป็นปัจจัยนอกขณะใ น, นที่มันจะชวนยุ่งก็คือว่าเป็นปัจจัยร่วมขณะเจตนาในวิญญาณ น, นั้นก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณ น, นั้นเพราะว่าวิญญาณตัวจิตเป็นวิญญาณนะแล้วก็เจตนาบุญบาปในนี้เป็นสหาชาตตาปัจจัยแก่วิญญาณ น, นั้นก็ได้ กิเลสในวิญญาณ น, นั้นเป็นสหาชาติปัจจัยแก่วิญญาณ น, นั้นก็ได้เพระมันเกิดล่วงขณะอันนี้อธิบายโดยสหาชาติปัจจัยใครฟังไม่ออกก็ทิ้งไว้แต่ที่อธิบายมามากคราวที่แล้วเนี่ยอธิบายในแง่ของอารมณปัจจัยคือเราปลารลบถึงกิเลสเกิดกิเลสปลารลบถึงกิเลสเกิดกุศลปลารลบถึงผลบุญเกิดบาป ปลาลบถึงผลบุญเกิดบุญปลาลบถึงผลบาปเกิดบาปปลาลบถึงผลบาปเกิดบุญอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปลักษณะที่เป็นไปได้หลายรูปแบบเนี่ยที่อธิบายคาที่แล้วก็ผมจะย้าตัวนี้แค่นี้แล้วก็เราก็มาเข้าเหตุผลว่าเมื่อวิญญาณคือกรรมวิญญาณปรากฏเป็นปัจจัยแก่พบอย่างไรตรงนี้เราเกือบจะเดาได้พบ คืออุปฏติภพที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมวิญญาณย้อนกลับมาเป็นเหตุทำให้เราได้คติได้พบได้การปฏิสนธิเกิดขึ้นซึ่งจริงๆไอการได้เนี่ยถามว่ามันได้พบเมื่อต้องรอให้เกิดก่อนหรือว่าได้ตั้งแต่ทำกรรมน่นิ่ง เรื่องลึกหน่อยนะคนเก่าสนุกคนใหม่งไวหน่อยกรรมที่เราทําแล้วเนี่ยถือว่าสร้างพบแล้วได้พบแล้วเพราะอะไรเพราะโลกียกรรมเนี่ยกุศลอกุศลก็ตามเช่นว่าคนคนหนึ่งทํากรรมอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่แม้ยังไม่ตกนรกก็ถือว่าสําได้พบแล้วได้เนี่ย นิรยาปติแล้วได้เนะะี่ยท่านแท้คำว่าสำเร็จแล้วเกิดพลังเกิดอำนาจเกิดการถือครองของกรรมแล้วว่าพูดง่ายว่าชะตาถูกลิขิตแล้วก็ได้ชะตาคือชะตาพพใหม่ถูกลิขิตนี่คือได้พบพอเรามีพลังที่จะไอชะตาเราถูกลิขิตว่าลงไปทางนี้พอเราตายแล้วไปเกิดใหม่ชาติก็ปรากฏ ภพที่ปรากฏครั้งแรกมันปรากฏโดยเกื้อเจอกับกรรมมาถึงเป็นกรรมภพแล้วก็เป็นอุปาทิภพพร้อมกันอยู่ในนั้นพอเราหมดอายุไขในภพนี้ชาตินี้ไปสู่อเวจีมานรกชาติก็ปรากฏชาติอะไรก็คือนิริยาชาติหรือมนุษยชาติหรือเทวชาติหรือเดรัจฉานชาติไปเกิดในนั้น ขณะนี้เมื่อชาติปรากฏเนี่ยสิ่งที่ได้ทันทีด้วยคือเวลาแสดงชาามรณะเนี่ยท่านแสดงถ้าเป็นแสดงทางลึกปฏิสนธิอย่างลงชาติปรากฏพอมาถึงถีสีขณะชาาปรากฏแล้วถึงพังค่าขณะมรณะปรากฏนี่โดยสภาวะนะเกิดโดยปรมัติแก่โดยปรมัติ แล้วก็ตายโดยประมัตอย่างนี้ก็เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไปจนสิ้นชีวิตเวลาเราพูดถึงชาตินี่เราต้องแบ่งไว้ในใจสองอย่างนะเหมออันหนึ่งก็คือโดยสมมุติมันก็ครอบคลุมว่าเกิดแก่เจ็บตายซึ่งบางทีเอาก็จริงก็ไม่รู้ว่าแก่นี่เมื่อไหร่ยังเสียงกันไม่จบแน่ใช่ไหมถามว่านี่แก่อย่างแก่อย่างแก่อย่าง ถ้าเราไปคบกับคนอายุมากกว่าเราเอ๊ะเขาบอกหาหาว่าเราหนุ่มดูถูกเราเสกหาว่าเราหนุ่มใช่ไหมถ้าเราไปอยู่ในสังคมเด็กในใจหายแว บ, บเลยเขาเรียกว่าเราว่าลุงอะไรเงี้ยเออเรากลายเป็นคนแก่ไปซะแล้วเลยแก่หรือหนุ่มมันกลายเป็นสมมุติซะแล้วละครับมันกลายเป็นสมมุติเมื่อใดเราไปยืนคู่กับเด็กตอนนั้นเราไม่แก่มันไม่เป็นอย่างนั้น ความจริงแล้วมันอยู่ในขณะของเราอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายในอันหนึง่งและแม้ว่าเราเนี่ยอยู่ในขณะจิตนี้ขณะจิตใหม่ยังไม่เกิดท่านก็กล่าวว่าเป็นผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายในความหมายว่าพ้นไปไม่ได้ความแก่ความเกิดความเจ็บความตายของเรานั้นสาเร็จแล้ว เป็นของของเรามันไม่อื่นไปจากในตัวเราท่านถึงเรียกเป็นอย่างแบบสรุปเบ็ดเสร็จในเชิงว่าเราพ้นอํานาจไม่ได้ว่าผู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเมื่อไร่ก็ต้องได้เรียกได้ว่าเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พน้นทําไมถึงหนีพน้นเพราะว่าขณะสภาวะบารมติเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันเกิดมันแก่มันตายอยู่ในตัวของมัน หมนวนก็นอยู่อย่างนี้ทุกขณะก็จึงสืบต่อกันไปอย่างนั้นนี่นี่นี่อธิบายสูตรหนึ่งอย่างกระชับที่สุดนะคราวนี้สูตรที่สองสูตรที่สองนะฮะเลยไม่ต้องอธิบายเพราะว่าสูตรที่สองนี้เป็นสูตรที่คล้ายกันกันกบปฏิจจทั่วไปน ะ, ะทีนี้วิญ ญ, ญาณเนี่ยโดยในของปฏิจจทั่วไปแล้ว เขาเกิดแยกเป็นวิญญาณที่เป็นวิบากกับวิญญาณก็เอากรรมวิญญาณก็เอานะฮะแบบปฏิจจาทั่วไป เ, เมื่อวิญญาณคือปฏิสนธิจิตอย่างลงนีอธิบายอย่างวิบากวิญญาณตามแบบปฏิจจาในวิสุทธิมรรคอัตถกถาทั่วไปแล้วก็พระสูตรที่อธิบายเป็นอย่างนี้ ปฏิสนี่ที่เป็นจิตแรกเกิดของเราทุกคนเนี่ยถามว่าเป็นกุศลแจิตเป็นวิบากจิตหรือเป็นอกุศลแจิตเป็นวิบากจิตนะเ<ส>มื่อวิบากจิตอย่างลงเมื่อวิบากจิตอย่างลงเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปในทันทีเดี๋ยวนั้นขณะนั้นอย่างที่อธิบายเรื่องปัจฐานน ะ, นะในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเลย นี่ทีนี้พอสูตรนี้ที่แสดงอย่างนี้นี่ผมก็พูดตามตังถาว่าวิญญาณท่านเลยแบ่งเป็นสองขยักขยักแรกก็คือกรรมวิญญาณกรรมวิญญาณที่เกิดเพราะกรรมเก่าเกิดเพราะกิเลสเกิดเพราะ อ, อวิบากเก่าแล้วก็กรรมวิญญาณนั้นเ อ, อเป็นเหตุให้เกิดวิบากวิญญาณท่านพูดลวงกันไว้ในนั้น นะแล้วมิบากของวิญ ญ, ญาณนั้นเป็นเหตุให้เกิดนามรูปก็ได้กรร ม, มวิญ ญ, ญาณเองเป็นเหตุให้เกิดนามรูปก็ได้ไอ้ตรงนี้นะถ้าเราไม่ เ, เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปาทแบบเรียนละเอียดแล้วก็เวลาอ้างแค่นี้มันจะเป็นเรื่องไม่พอสแสดงคือหมายความว่าในขณะที่ถึงอธิบายมันก็ไม่ไม่สถิตยอยู่ในสมองอย่างมั่นคงนะแต่ก็จําเป็นจะต้องฟังและควรจะต้องฟัง เอาเป็นอุปนิสัยไว้คือในขณะที่บุคคลเกิดกุศลลจิตขึ้นนามในจิตนั้นมีรูปที่กุศลลจิตนั้นเป็นปัจจัยเช่นจิตตะรรูปก็ดีหรือปัจฉาชาตารูปก็ดีปรากฏเกี่ยวเนื่องเป็นผลของกุศลวิญญาณในที่นั้นด้วย อันนี้อธิบายแบบปฏิจจสมุปบาทส่วนหลักเป็นอย่างนี้ถึงสูตรสามสูตรสองเนี่ยก็อธิบายนามรูปสลายตนะไปถึงชาติจรามรณะโดยลำดับเหมือนอย่างที่ได้เคยพูดมานั่นแหละหรืออย่างที่เข้าใจอยู่โดยทั่วไปนั่นแหละพอมาถึงสูตรสามเนี่ยวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ตัญหา อันี่นี่แปลกวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ตันหาอย่างไรแล้วก็มันมันก้าวกระโดดอย่างนี้ได้หรือตอบว่าก้าวกระโดดเป็นปัจจัยแบบก้าวก้าวกระโดดหรือแบบลักได้คือบุคคลเมื่อได้ทํากรรมแล้วเนี่ยย่อมถูกตันหายึดครองยึดครองหมายความว่ายึดครองอย่างเป็น ของตัวจะคิดเป็นตูวเป็นตาหรือไม่ยังไงก็ตามจะยึดกลองโดยอัตโนมัติเราทําไอ้คาว่าบุญหรือบาปที่ทําเนี่ยความจริงมันก็คือความรู้สึกนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งของเราเท่านั้นเองโดยแต่ละใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดนี้เกิดขึ้นโดยการให้ความรู้สึกนึกคิดนี้เกิดขึ้นโดยการสมาทานศีลด้วยการทํำวิปัสสนาตัญหาจะเข้าไปยึดคลองนี่เป็นสำนวนโบราณแปลอย่างนี้ เพราะนั้นจึงว่าโลกิยกรรมชื่อว่าสาสวะธรรมเพราะมีตันหาเข้าไปถือกล่องเราอย่าพูดว่าเราไม่ยึดเราไม่ถือเราเนี่ยไม่สามารถจะปฏิเสธการยึดถือด้วยการปฏิเสธหรือทำความคิดไม่ยึดเด็กด้วยอาการแค่สั่นหัวหรือตั้งใจยังไม่ยึดแล้วมันไม่ยึดได้โดยประการทั้งปวงนนไม่ได้หรอก ไอ้ที่เราบอกพระท่านสอนว่าอย่ายึดอย่าอะไรเนี่ยเป็นการหมายถึงขั้นบางขั้นไอ100้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ยึดโดยประการทั้งปวงซึ่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นเลยเนี่ยไม่มีอย่างเช่นพระอยสาเช่นพเจ้าสอนว่าเมื่อเราตแหวงหางทรัพได้ อ, อในทางที่ถูกบำรุงเลี้ยงตัวเองบำรุงครอบครัวทําบุญด้วยและสุดท้ายอย่ายึดถือ ตรงนี้พระพุทธเจ้าน่ยไม่ได้เชื่อแล้วว่าปุถุชนเรานี่จะไม่ยึดถือได้โดยประการทั้งปวงไม่มีทางเลยครับต้องมีความยึดมากหรือน้อยต่างกันเท่านั้นท่านหมายถึงไม่ยึดในบางสภาพบางอย่างบางการเวลาอย่างมีเงื่อนไขชั้นใดก็ชั้นนั้นเราเนี่ยเราพูดว่ารักตัวเรารักแต่ตัวคือร่างกายหรือรักความคิดของเราด้วย ความรู้สึกมือคิดยึดความรู้สึกมือคิดแล้วด้วยเรายึดด้วยใช่ไหมนี่รรพูดตามภาษาิชนไอ้เราจะเข้าใจกดเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้หรือไม่เราก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วเข้าใจก็เป็นไม่หาใจก็เป็นและจะพยายามคิดว่าตัวเองยึดหรือไ ม, ไม่ไม่พยายามจะปล่อยด้วยความพยายามธรรมดาเนี่ยมันปล่อยไม่ได้รับรองว่าปล่อยไม่ได้แตนี้ในส่วนที่เป็นความรู้สึกมือคิดที่เป็นบุญหรือเป็นบาป คือพอเอาค่าว่าเป็นบุญเป็นบาปใส่เข้าไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอจะไปยึดอย่างนันพราอกูยังไม่รู้เราอะไรบุญอะไรบาปใช่ไหมฮะแต่พอพูดมาความรู้คิดอจิตใจของเราเนี่ยเราจิตใจเราเคลื่อนไหวยังไงเรายึดตั้งนั้นเคลื่อนไหวอย่างเป็นบุญใส่ค่าลงไปมันก็คือยึดบุญนั่นเองเคลื่อนไหวอย่างเป็นบาปก็คือยึดอ่ความรู้สึกที่ค่ามีค่าเป็นบาสนั่นเองหรืออย่างที่เป็นวิบากเป็นสมมตภาพของดวงความคิด คามรู้สึกเมื่คิดที่เกิดขึ้นจากอารมณ์จากกฎแห่งกรรมมันก็คือวิบากนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้วิญญาณที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นปัจจัยแก่ตัญหาโดยความเป็นอารมณะปัจจัยแล้วก็ปั จ, จัยอื่นได้จะเอาเอาฟอ ง, งง่ายๆแค่อารมณปัจใจก็พอ เมื่อบุคคลเกิดตัณหาในกุศลจิตอกุศลจิตแล้วคติใหม่จึงมีตรงนี้แหละครับที่มันเป็นเรื่องของการวกเวียนคือบุญและบาปจะส่งผลนำเกิดได้เนี่ยถ้าบุญบาปนั้นไม่ถูกยึดครองด้วยตัณหาแล้วไม่ส่งผลนำเกิด พระอาหารหันต์ฆ่าปัญหาได้ถึงไม่เกิดไงที่มันเกิดเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเกิดเราความหมายโดยเบ็ดเสร็จคืออยากจะเกิดแต่พูดกับคนยึดเองก็ไม่เข้าใจอันนี้คืออาวิชาของเรื่องชีวิตไงขนาดเรื่องของตัวแ ท, แท้ความเป็นไปโดยแท้ไม่เข้าใจเราอยากจะเกิดคือคืออย่างไรเช่นว่าทําไมเราถึงทําบุญเนี่ยลองถามดูลองขุดคุยดู ทำบุญทำไม่ไอ้บอกเลยท่านก็ทำทิ้งๆกว้างๆออกไปไงท่านไม่เอาอะไรปากอย่างใจอยางจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องมีความเอติดความอะไรสักอย่างที่เข้าไปบงการกุศลกไอ้กุศลก็เกินกุศลไอ้ค้อปลาลบก็ดีก่อนทําหลังทําขณะดทำมันจะต้องเข้าไปโอบอุ้มถือกลองว่านี่เป็นกรรมสิทธิ์ของมัน ก็ะอะไรเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันสําเร็จขึ้นด้วยตัณหาเขาถือครองนอนหลับมันก็นั่นคือผลิตผลของตัณหาของเราแต่ปางก่อนแล้วก็ถือคลองอยู่ด้วยตัณหาเป็นปกตินั้นเวลาจะเคลื่อนไหวทาดีทําชั่วเนี่ยอยู่ในสายตาของตัณหาทั้งนั้นเลยตัณหาอยาก ต, ตัณหาละเอียดแล้วเขาจะเข้ามาแทรกบางไม่แทรกบ้างเขาถือคลองของเขาอยู่เป็นกรรมสิทธิข์ของเ บางทีเราอดว่าตอนนี้ไม่ไม่เกิดความกระสัรแต่นึกเลยว่าเราจะไม่มานึกปลาลบแต่ไอแค่นึกหรือไม่นึกเนี่ยมันยังเป็นเรื่องผิวแต่ท่านเอาไอตัวปักรตูปนิษยาปัจจัยที่มันถือคลองอยู่ลึกๆเนี่ยเป็นพลังสำคัญไอตัวนี้นะแค่เราจะรู้ว่ามันยึดยังไงเนี่ยไม่ใช่มาพูดกันอย่างนี้แล้วรู้แล้วเข้าใจนะต้องคนปฏิบัติทาถึงเห็นว่า ความยึดเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันละเอียดเหลือเกินนะและหลายๆคนที่ปฏิบัติทํามแล้วถึงทราบตึ ง, งโอ้นี่เป็นอย่างนี้เองทราบตึงว่าความยึดเป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นจริงเห็นจังว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นโปโนโปวิกาก่อพบก่อชาติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือเป็นยังไงเราคนปฏิบัติเขาพูดให้เราทราบตึงอย่างเขาไม่ได้หรอก ก็ได้ก็พอพูดตะล่อมไปตะล่อมมาอย่างเนี้ยแต่แค่นี้ก็ยังรู้สึกว่าพูดอย่างน้อยไปน้อยไปกับการที่พอจะยอมรับฟังได้อย่างน่าชื่อถาอบ้างนั่นเราจึงได้ยินว่ากรรมและกิเลสกรรมและตัณหาสร้างพบสร้างชาตินะนะก็คือตัณหาเป็นตัวปูกภพผูกชาติเป็นตัวหมายใจชอบใจที่จะเกิดโดยเฉพาะไอ้ความรู้สึกโดยประยายแล้วก็ทํากรรมก็เป็นประโยชน์ แก่การเกิดคติคติหมายถึงการเข้าถึงที่มันได้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดก็มีแล้วพลังตัวนี้คือกาหนดชะตาชีวิตกาหนดว่าจะต้องเกิดเอาแค่นี้กําหนดชะตาว่าจะต้องเกิดคนนี้มีความเกิดเป็นธรรมดาเพราะปัญหายัางมีไม่พ้นความเกิดไปได้ คือมันอยู่ในหัวใจเรามันถึงบอกว่าเราเห็นรูปแล้วก็พอใจในรูปที่เราเห็นนั่นแปลว่าเราสร้างตาตาปรากฏเราไม่พ้นจากความมีตาไปได้แม้ว่าถามว่าตาเก่าหรือตาใหม่บอกตาใหม่ตาเก่านั้นมันสำเร็จแล้วแต่ตาใหม่เรายังมีเพราะเรายังมีตัณหาในตานี่คติมันปรากฏอย่างนี้ พอเราเกิดใหม่ไอกตินั่นก็เป็นของปรากฏอ่ะนะมันมันมันคือคือไอ้ตัวนี้มันเป็นจุดรับเล่นของธรรมะเนี่ยผมก็ต้องย้อนกลับมาเทียบว่ามันเหมือนกับเราเราพูดถึงว่าเราเป็นคนมีกิเลสเนี่ยขณะนี้มีกิเลสไหมที่นั่งมีถามว่ามีได้ยังไง ฉ, ไไนะฉันไม่ได้โกรธอยู่นะฉัไม่ได้โลภอยู่นะ อันไม่ได้หลงอยู่นะมีได้ไงตอบว่ามีกิเลสที่มันเป็นพลังสําเร็จนะฮะอยู่ในสันดานของเรานี่คือความมีเพราะทำไมต้องรู้ว่ามีเพราะเรายังไม่สามารถที่จะพ้นความเกิดกิเลสนั้นอีกได้กิเลสที่เรามีเนี่ยแม้ไม่เกิดยังไม่ปรากฏตัวก็ยังเรียกว่ามีเมื่อปรากฏตัว ก็เรียกว่ากิเลสที่มีนั้นปรากฏขึ้นเราเนี่ยมีกิเลสมากกว่าที่กิเลสปรากฏเราจะปรากฏกิเลสทีเดียวทั้งสิบสี่ตัวอันห้าร้อยไม่ได้ใช่ไหเราปรากฏทีละหนึ่งทีละน้อยๆมาอาจจะมากกว่าหนึ่งได้แต่เรามีมีครบหมดแต่ปรากฏทีละอย่างเหมือนเสื้อผ้าใหญ่โตของเราก็มีหมดแต่ใส่ซีละบางชิ้นเท่านะั้นอ่า อันนี้ก็เทียบเหมือนกับพบชาติอะไรต่ะไรเพราะนั้นไอ้ไอ้พลังวัตตาสงสารในในในตัวเราขนาดนี้นะถ้าเรามีตาทิ่ความจริงตาทิ่ธรรมดาเห็นไม่ได้หรอกมองเข้าไปเนี่ยโอ้โหเหมือนอย่างคุยกันว่าไอ้เรื่องกายทิพไอ้ฟังเป็นเล่นๆนีก็ได้นะฮะบอกเนี่ยแม่ผมเนี่ยถอดกายทิพที่ถอดออกมาเป็นพระ บางทีถอดออกมาเป็นโยกีบางทีถอดออกมาเป็นหมาถอดออกมาเป็นกระต่ายเพราะเราเนี่ยมันไม่รู้อะไรแต่อะไรมันทับถมอยู่พลังลึกลับนะ่ะนี่คือพลังที่เราจะต้องไปชดใช้ที่เบ่งออกไปหรือออกไปเวลามันออกไปทีเรามันไม่ได้ออกไปแต่พลังนะมันสร้างขุน พลสะแต่ดันสำแดงพลังของมันวะผิดผลของพลังมันออกมาเป็นหน้าตาเราอย่างนี้เนี่นั่งๆ น, นี่ไม่รู้อะไรแต่อะไรตรมก็มีอะไรก็มีเกิดชดใจกัไม่ได้เนาะบางทีก็ตองมองมองว่าโอยหัวบานเบลอเนี่อ๋อโดนขวานจามหัวเอ๊ะหัวก็ยังดีอดี่ดดะขวานมันมาจากไหนหัวแบะมาจากไหนมองแล้วไปเห็นมันไปจับเห็นไอ้พลังชะตาชีวิตคนอย่างนั้น อย่างนี้ก็ ก, ก็ก็ทําทํากันได้เดี๋ยวเนี่นะมันไปเห็นอะไรแต่อะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เขาเห็นได้เนี่ยมันก็ออกมาจากพลังที่เราสั่งสมมีอยู่เพราะฉะนั้นพลังที่แฝงเล่นในตัวเรามันถึงมีหลายรูปแบบไอ้พลังกิเลสตัณหาในสังสารวัฏนี่เป็นอันหนึ่งในลหลายหลอย่างกรนี้เมื่อคติมีจุติ การตายเป็นปัจจัยแก่การตายการตายก็มีเมื่อมีการตายสำหรับจุติและอุบัติเนี่ยนะครับตรงนี้ท่านเอาตายชาติก่อนก็เกิดชาติใหม่มารวมไว้ในองค์เดียวกันจุตินะหมายถึงตายจากคติเก่าคติเก่าเป็นเหตุให้เกิดการตายในคตินั้นมันเป็นปัจจัยในชาติเดียวกันและจุติ ที่เมื่อตายในชาตินั้นการอุบัติในชาติใหม่จึงมีถ้าไม่ตายในชาติก่อนแล้วก็เกิดชาติใหม่ไม่ได้แต่ในที่นี้ท่านเอามาไ่ว้เป็นองค์เดียวกันเนี่ยตายแล้วก็เกิดความจริงมันคนละคนละชาติกันนะนะถ้าว่าถึงว่าเวลาเราได้กติอย่างปรากฏตัวเนี่ยมันคนละชาติกันอ่าพออุบัติแล้วก็ทาให้เกิดชาติชรามลณะ การสืบต่อไปนี้เป็นการแสดงในลักษณะาจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งวกไปเวียนมาอาตามพุทธประสงค์ที่ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจาในแต่ละโอกาสต่างกันอย่างออุบัติในชาติใหม่เมื่อมีอุบัติในชาติใหม่อุบัติคือการเกิดความปรากฏแห่งชาตินชร า, าและมรณนะ ก็ปรากฏเป็นผลสืบเนื่องกันต่อไปอีกก็เลยอยากจะสรุปไว้ในตอนนี้ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทในแง่มุมลึกอันหนึ่งเนี่ยปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยสแสดงไว้เป็นสองส่วนเหมือนกับเรื่องอื่นคือส่วนที่ปรากฏกับส่วนที่เป็นพลังนะะ ส่วนที่เป็นพลังเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีทุกิ่งทุกอย่างที่เป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นอันนี้เหมือนมันเป็นปฏิจจ์แบบจับพลันตันทีกับส่วนที่มันปรากฏปรากฏก็คือจะมีการปรากฏตามลําดับบ้างทับซ้อนกันบ้างนั่นเป็นเรื่องของปรากฏเหมือนกิเลสหรือเหมือนแม้แต่เรื่องของพลังลิศคนที่มีวิชาแปดประการ เมื่อถามว่ามีวิชาแปลประการไ้ยแม่นอนหลับอยู่ก็กล่าวว่าผู้มีวิชาแปลประการเพราะได้ความสำเร็จแล้วได้พลังอันตั้งสมแล้วแต่เวลาจะแสดงก็อาจจะแสดงบ้างไม่แสดงบ้างนี่พูดถึงเรื่องฤทธิ์นะแต่ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเรามีทั้งพลังมีทั้งแสดงอย่างเช่นตอนนี้เราก็แสดงจากพลังเก่าๆที่เราสะสมไว้และก็ังให้ผล ที่ยังไม่แสดงก็คือพลังที่เราสร้างใหม่ยังไม่ให้ผลหรือพลังเก่าที่ยังไม่ให้ผลก็ยังไม่แสดงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องพูดเป็นคำนวนอย่าง เ, าเรียนคําพูดอันนี้เรียกว่าเป็นปฏิจจารลอยตัวกับปฏิจจาไม่ปรากฏตัวหรือปฏิจจานา น, นอกตัมนึกก็ตายตัมนึกอะไรเงี้ยนาะยกพูด เทียบไปแตไ่ไม่ไปไม่ไปเอาอธิบายเป็นจริงเป็นจังอย่างนั้นทีนี้ในส่วนข้างล่างเนี่ยได้แสดงเทียบปรับเทียบองค์คือที่วางไว้หนึ่งอสามสี่ห้าถึงสิบสองเนี่ยเป็นองค์ปกติมีอวิชาสังขารพอมาแสดงในลักษณะเปลี่ยนหัวองค์เป็นเจตนาปกับปะและอนุเสติก็เราก็เทียบว่า เจตนาปกัปานุสเสตินั้นเทียบได้กับอวิชชาแสังขารนะแล้วก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณก็เดินลงมาตามลําดับจนถึงชลาโมานะโสกับริเทวะตามในยะของสูตรสามสำหรับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะแสดงอว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่พบพบเป็นปัจจัยแก่ชาชลาโมานะ อันนี้ก็เป็นการก้าวกระโดดในลักษณะคําองค์มาเป็นลักษณะอย่างนี้สําหรับสูตรที่สามวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ตัณหาแล้วก็ตัณหาเป็นปัจจัยแก่กติกติเป็นปัจจัยแก่จุติอุบัติและจุติอุบัติก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชาราและมรณะสืบต่อไป ก็เป็นนั้นว่าวันนี้เราพูดกันเท่านี้พูดแล้วคนพูดกันเหนื่อยก็คราวหน้าจะเป็นประสูตรที่จะขึ้นวักใหม่ก็ก็จะเป็นเรื่องปฏิจารณาอีกง่อีกมุมอื่นๆต่อไปอีกขอให้ตั้งใจเรียนฟังแบบเก็บเล็กผสมน้อยนะครับอย่านึกว่าท่านจะไปหาบทสรุปอย่างสั้นๆง่ายๆได้ที่ไหนเลย ต้องเรียนแบบแก้ได้ะสมน้อยไปแต่ตอนท้ายรายการนะฮะก่อนที่จะปิดประชุมคุณเชิญเช่นบุญเสดได้ฝากข่าวให้มาแจ้งให้ทราบว่าคุณสุธิลาคุณสมชาติพิยาบาวรนะฮะได้มาบอกแก่พวกเราเรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทศเนี่ยก็บริจาคทำอะไรกันไปแล้วนะ ซึ่งทั้งสองท่านนั้นก็ได้เป็นกำลังหลักบริจาคเงินตั้งห้าหมื่นมาแล้วก็มีพวกเราที่เป็นเพื่อนมือูงที่รู้ข่าวก็ได้ร่วมกันทำไปก็เลยได้ยอดเงินเพียงมาบอกให้ร่วมกันอนุโมตนานะฮะเป็นยอดเงินหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทต้วน ขอให้ร่วมกันอนุโมทนาด้วยนะครับในการสร้างปูชนียสถานที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทศคงจะเป็นที่วัดถินหมากเป้งกระมังหินหมากเป้งที่จังหวัดหนองคาย